พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตข้อปฏิบัติสองอย่างอย่างนี้คือข้อปฏิบัติอันหนึ่งสําหรับผู้หมดจดแล้วคือพระเสขขเนี่ยนะข้อปฏิบัติสําหรับบุคคลผู้กําลังหมดจดคือพระเสขะบุคคลเหล่าไหนาชื่อว่าหมดจดแล้วคือพระอรหันต์ทั้งหลายบุคคลเหล่าไหนาชื่อว่ากําลังหมดจดก็คือพระเสขขทั้งหลายแท้จริงอินทรีย์ทั้งหลายของพระอรหันต์เนี่ยกระทากิจเสร็จแล้วอินทรีย์คืออินทรีห้านะ ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเนี่ยอินรี่ห้าประการเนี่ยพระหันท่านทำกิจเสร็จแล้วเนี่ยนะเป็นศรัทธาที่เจริญเสร็จแล้วความเพียรที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่ทำกิจเสร็จแล้วกิจกิจอะไรกิจในการกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทมนิโรธให้แจ้งเจริญมัคกิจ4ประการนี่ใช่โซดาปฏิมัคทากิจสะะี่สก atha ม a m i m a ก็ทากิจสี่ สก่าอนาคามีมรครมกิจ4อรหัตตมรครมกิจ4เพราะฉะนั้น4ีคูณสเท่ากับ16กิจ16บนี่เป็นกิจที่ผ้ารหันทำเสร็จแล้วถ้าพระโสดาบันเพิ่งทำ4ใช่ไหมพระสกาทาคามีทำ8ปดผ่านอาคามีทำสิบสอผ้ารหันทำ16ก็ทำกิจในอริยสัจสี่นั่นแหละ ทำที่ควรรู้สี่ประการโดยอภิสมัยอภิสมัยนิยมแปลว่าการบรรลุหรือตรัสรู้เนี่ยนะเรียกว่ากาตรัสรู้ทุกด้วยการกําหนดรู้หรือเขาเรียกว่าอภิสมัยคือการตรัสรู้ทุกขสัตรัสรู้ทุกด้วยการกําหนดรู้เรียกว่าอภิสมัยคือการละสมุทั ย, ยสัจจะอภิสมัยคือการเจริญมรรคสัจและอภิสมัยคือการทําให้แจ้งประจักนิโรสัรจะนะ อภิสมัยเนี่ยบางทีก็แปลว่าการบรรลุใช่ไหมทุกก็บรรลุด้วยการกําหนดรู้สมุทัยก็บรรลุด้วยการละนิโรธก็บรรลุด้วยการทําให้แจ้งมรรคก็บรรลุด้วยการเจริญในเรอภิสมัยเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธเจ้าแรกอภิสมัยก็คือแรกแรกตรัสรู้เนี่ยนะอย่างหนึ่นะองอภิสมัยโดยทั่วไปนิยมแปลว่าตรัสรู้เนี่ยนะอภิสมัยะเนี่ยนะก็ใ <c oughs> ห้ผู้ที่มีความรู้ไปค้นสับแต่ว่าอภิสมัยเนี่ยมีหลายอัตเนี่ยนะ มีหลายอากักแต่ตรงนี้ประสงค์เอาการตรัสรู้นั่นเองที่เรียกว่าบรรลุบรรลุอ่ะไหมอย่างในนิเทศท่านเรียกว่าสัจจาพิสมัยเนี่ยนะการบรรลุอย่างนี้เรียกว่าการอภิเสกเนี่ยนะอภิเษกเลยนะเรียกว่าสัจจาพิเศกก็มีมีอีกนึงเรียกว่าสัจจาพิเศษเ อ, อ, อภิเสกการอภิเษกครั้งนี้เขาบอกยิ่งใหญ่กว่าการอภิเสกเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินี่นะ ถ้าอภิเษกโดยการตรัสรู้สัจจะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยพ้นจากโออบายทั้งปวงพ้นจากพบที่8เป็นต้นเนี่ยนะก็นับว่าประเสริฐอย่างยิ่งบุคคลที่รู้สัจจะสี่ที่ควรรู้อย่างเช่นอย่างนี้เช่นนี้เนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้มีสติก้าวไปข้างหน้าเป็นผู้มีสติถอยกลับข้างหลังเพราะสิ้นราคะสิ้นโทสะและก็สิ้น โมหะนั้นผู้ที่มีสติสมบูรณ์เนี่ยคือก้าวเดินโดยที่ไม่มีราคะโทสะและโมหะในการก้าวไปในการถอยกลับอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์นก็คือผ้าหันนั่นเองที่ท่านมีสติสมบูรณ์เพราะว่าอบรมจนสติสัมปชัญญะภัยบูรในทุกอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไหนที่ท่านอยู่โดยเว้นจากสติและสัมปชัญญะ อภิสมัยเนี่ยนะที่เราคุ้นเคยกันก็เรียกว่าการบรรลุอริยสัจเนี่ยทุกเนี่ยบรรลุคําว่าทุกนะหมายถึงอะไรหมายถึงตัวแบบไหนหรือถ้าบรรลุเนี่ยบรรลุว่าอย่างไงถ้าบรรลุว่านี้ทุกนะ้องบรรลุว่าปีลณน่าโถนะเขาบอกว่าตัวเบียดเบียนเนี่ยไม่มีอะไรจะเบียดเบียนเท่ากับทุกอีกแล้วเนี่ยคําว่าเบียดเบียนเนี่ยเป็นประกาศถึงว่ามันถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังคตาธรรม เป็นตัวที่สันตาปณะ ค, คือเร่าร้อนกับวิปริณะไม่ได้มีความคงทนเพรา ะ, ะนั้นคำว่าตรัสรู้ทุกคือตรัสรู้ว่าทุกเนี่ยร้อนเร่าร้อนเนี่ยนะเร่าร้อนหรือเดือดร้อนเบียดเบียนถูกปัจจัยปรุงแต่งแปรปรวนไปอันนี้หมายถึงการตรัสรู้ว่าทุกทุ ก, ท, ก, ท, กทุกเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราเห็นอย่างนี้ไม่ล่ะแค่ น, นั้นแหละเออทุกเนี่ยมันมัน มันเร่าร้อนหรือมันเย็นเห็นไสังเกตดูเออร่มไม้ตรงนี้มันเย็นดีอย่างไงนะก็ไม่ค่อยเบียดเบียนเท่าไหร่นะเบียดเบียน เ, เ, เป็นบางอย่างไปแต่ว่าพระ้าหัน์ทั้งหลายหรือพอระอารยะทั้งหลายเนี่ยท่านยังถึงว่าสภาพแห่งอุปาทานขันห้าทุกขันห้าเนี่ยเบียดเบียนเนี่ยนะปีละณนะเนี่ยนะสันตาปณะนะเร่าร้อนสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นและ วิปริณามะแปรปรวนไปนี่เป็นการแทงตลอดอัฏฐะหรือตรัสรู้ทุกขสัจส่วนการตรัสรู้สมุทัยศาสตร์ก็อายุหะเนี่ยนะมันนำเกิดอย่างเดียวเออเนี่นำนำเกิดอย่างเดียวตันหาเนี่ยนะกิจเขามีเท่านั้นจริงๆหน้าที่ของเขาอะนะเรียกว่าเป็นตัวนำให้มีทุกอย่างเดียวอายุหนะประมวลวัตถทุกมาอย่างเดียวอะไรอีกนิทานนะเป็นเหตุแห่งทุกเนี่ยนะ ตัวตันหานี่แหละเป็นนิทานนิทานนี่แปลว่าเหตุนะอย่างเรื่องเคยมีมาแล้วหรือนิทานนิทานนี่แปลว่าเหตุมันตันหานี่เป็นสมุไทยคือมันเป็นนิทานตันหานี่ยังเป็นอะไรสังโยคะคือโยฆะแปลว่าประกอบนะสันตัวนั้นก็พร้อมนะแปลว่าประกอบพร้อมเนี่ยล็อกไม่ให้ไปไหนหรอกให้อยู่นั่นแหละแล้วอีกสุดท้ายก็คือปริโพศเนี่ยนะห่วงใหยมากนะไม่ใช่จะออกกันง่ายๆหรอกตันหานะ นิโรศะนะนิโรศะก็คือนิสรณะสลัดออกจากสังขารธรรมทุกชนิดนิโรศะนิสลัดออกจากสังขารธรรมทั้งปวงเรียกว่านิสรณะสลัดออกจากวะตตนิโรศะนั้นเป็นสัจจานั้นอะไรอ ม, มะตะนะไม่ตายซึ่งตรงกันข้ามกับทุกขสัตว์ที่ตายนิโรศะนั้นเป็นอสังขตะ ซึ่งทุกขสัตว์เป็นสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรสัจจานั้นเป็นอะไรวิเวกเนี่ย น, นะสงัดจากสังขารทุกชนิดเป็นอุปทิวิเวกส่วนมรรคสัตว์นั้นเป็นนิยากัดโถคือนําออกจากวัฏะอย่างเดียวผู้ใดที่ปรารถนาพ้นจากวัฏะนะจำต้องสแสวงหาอริยมรรคต้องเจริญอริยมรรคหรือผู้ใดต้องการพระนิพพานต้องเจริญอริยมรรคเพราะอริยมรรคเป็นตัวนําออกจาก วัตตะเนี่ยนะอริยมรรคนั้นเป็นทัศนะใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่เห็นท่านิพานอริยมรรคนี้เป็นเหตุคือเหตุให้พ้นจากวัตทุก์อริยมรรคนี้ยิ่งใหญ่อธิปไตยเนี่ยนะถามว่ายิ่งใหญ่ด้วยอะไรยิ่งใหญ่ด้วยสติปทาน 4, สี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรียห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดดัะนั้นในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยอธิปไตยยิ่งใหญ่จริงๆ นะยิ่งใหญ่ด้วยโพธิปักขยธรรมบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้งปวงมันก็อริยสัจสีนะีนท่านจึงบอกว่าโหเป็นสิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากแต่ก็ควรภาคเพียรพยายามเนี่ยนะแต่ไม่ใช่คําว่ายากยากครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่บรรลุล่ะสําคัญว่าทํากิจทุกหรือ ย, ยังเนี่ยนะทำปริญญาหรือ ย, ยังถ้ายังไม่ได้ทําแล้วบอกว่าไม่บรรลุอันนี้สงสัยจะไม่ได้บรรลุถาวรจริงๆแหลนะ มันอยู่ที่ตั้งอัธยาศัยจริงๆเนะมันอยู่ที่ตั้งอัธยาศัยหรือน้อมไปถ้าไม่น้อมไปเนี่ยอย่างไรก็ทําไม่ได้เลยนะสรุปคาถาที่พระองค์ตรัสตอบข้อปฏิบัติของพระเสขะอเสขะว่าดูก่อนอาชิตะเสขะบุคคลไม่ควรติดในวัตถุกรรมทั้งหลายควรเป็นผู้มีใจไม่มัวหมองอันนี้สําหรับพระเสขะส่วนพา้าเสขะคือะ้าหันนี่ก็ฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติสมบูรณ พึงเป็นผู้ถึงภาวะอันประเสริฐ ด, ดํารงอยู่บอกว่าจะจบสูตรนี้เนี่ยนะท่านพระชิตะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนยนะท่านพระชิตตะมานพเนี่ยสี่คำถามเนี่ยนะสี่คาถาเนี่ยถามสี่ตอบสี่เนี่ยพระชิตะบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทำลูกศิษย์ของท่านอีกหนึ่งพันเทวดาและมนุษย์สังสมบูรณ์ร่วมกันเนี่ยนะจำนวนมากก็บรรลุในปรายนาวักเนี่ยนะบรรลุสิบสี่โกดเนี่ยนะ สิบหกปัญหานะบรรลุสนะิบสี่โกดสิบสี่โกดหนึ่งหมืนหกพันเนี่ยนะบรรลุเป็นพระทหารหนึ่งหมื่นหกพันแล้วก็เทวดาและมนุษย์ประชมกันสิบสองโยดเนี่ยนะบรรลุสิบสี่โกดไม่มีเราอยู่เลยนะไม่มีเราเหมือนเดิมก็ผ่านมาตั้งหลายสูตรแล้วนะเราเนี่ยอก็อินทรีย์ยังไม่แกกล้านะเดี๋ยวเทือเดี๋ยวเทือนะ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าเน่ยตัววิจยาหาระเลยนะย้อนมาที่วิจยาหาระว่าพึงปุจฉาอย่างนี้พึงวิสัชนาอย่างนี้ท่านก็ยกตัวอย่างคําถามของพระชิตะถามอยู่สคําถามสี่คาถามนะคถาแรกถามถึงว่าโลกอะไรหุ้มห่อไว้สองโลกไม่ปรากฏเพราะอะไรโลกอะไรฉาทาเอาไว้อะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกคถาแรกนะก็พระองค์ก็ตอบว่าทุก เอข้ไปอวิชาเป็นตัวหุ้มห่อโลกไว้ความตรนีความสงสัยความประมาททําให้โลกไม่ปรากฏตันหาเป็นเครื่องฉาบทาโลกเอาไว้ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกเนี่ยนะคาถานี้ที่พระองค์ตอบเน้นประกาศทุกขสัตว์เนี่ยนะว่าเออทุกโลกเนี่ยนะมันเป็นทุกนะทุกเป็นภัยใหญ่ที่น่ากลัวสําหรับโลกทั้งหลายคําว่าภัยนะ ถ้ามองแบบหยาบๆที่เห็นเห็นหนึ่งวาตภัยใช่ไหมไพที่เกิดจากลมก็น่ากลัวอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ําอักขีภัยภัยที่เกิดจากไฟโจระภัยเกิดจากโจรราชภัยก็บอกพระราชาเบียดเบียนเนี่ยนะทุพพิกภัยก็คือหาหารยากเนี่ยนะพวกนี้เป็นภัยแต่ถามว่าภัยทั้งหมดเหล่านั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากชาติภัยชราภัยพญาธีภัย มรณะภัยนั่นแหละภัยอื่นๆจึงน่ากลัวไปตามมันเรียกว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนี่ก็ถามว่าอ้าวแล้วจะกระแสทั้งหลายนะที่มันเป็นไปอย่างนี้อะไรเป็นเครื่องกัน้นกระแสรกระแสเนี่ยจะปิดได้เพราะอะไรพงศ์ก็บอกว่ากระแสคือกระแสตัณหาเป็นต้นเนี่ยนะสติเป็นเครื่องกัน้นกระแสรกระแสเหล่านั้นจะพึงปิดกั้นด้วยมรรคปัญญาเนี่ยนะมรรคปัญญา ด้านคำถามนี้ก็ถามสมุทัยสั อ, อขอไปคําตอบพระองค์ตอบสมุทัยสัจ ก, กับมัคคสัจว่ากระแสทั้งหลายคือกระแสตัณหาเป็นต้นนี้เป็นสมุทัยสัจจะสติปัญญาเป็นตัวปิดตัวกั้นกระแสอันนี้เป็นมัคคสัจจะนี่ค่ะคาถาที่สามก็ถามถึงนิโรสัจจะว่าปัญญาสตินามรูปเนี่ยจะดับไป ในที่ไหนพระองก็ตอบว่าปัญญาสตินามรูปทั้งหมดที่กล่าวไปจะดับไปเพราะความดับแผงวิญญาณอันนี้ก็เป็นการถามถึงเนโรสัจจะเนี่ยนะถามว่าวิญญาณจะดับได้ยังไงอันนั้นปฏิสนธิวิญญาณดับด้วยโสดาปฏิมักเป็นต้นนะนะถ้าจะดับก็อาศัยอริยมรรคสี่นั่นแหละอริยมรรคที่ดับปฏิสนธิวิญญาณทั้งหมดดับกรรมวิญญาณได้ก็เนื่องจากมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะพระ นามรูปดับเพราะวิญญาณดับอันนี้ก็เป็นการประกาศนิโรศ จ, จักรเนี่ยนะก็ง่ายๆนามรูปนามรูปสมุไทยนามรูปนิโรดนามรูปนิโรธขามินีปฏิปทานะก็ในบทกลุ่มเหล่านั้นส่วนคาถาคําคคถามสุดท้ายท่านถามว่าพระเสขะเนี่ยปฏิบัติอย่างไงพระเสขะนั้นปฏิบัติอย่างไ ร, ร, งไรก็คือคําถามเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของพระเสขะและพระเสขะสําหรับพระเสขะพระองค์ บอกว่าให้ไม่ติดใจในกามกับทําใจไม่ให้เศร้าหมองส่วนท่าเสขละล่ะฉลาดในธรรมทั้งปวงแล้วก็มีสติเว้นรอบก็คือมีสติตลอดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพึงปุจฉาอย่างนี้พึงวิสัชนาอย่างนี้ท่านยกตัวอย่างมาให้เป็นตัวอย่างนะถ้าใครอยากดูก็เกี่ยวกับเรื่องคําถามคําตอบในพระไตรปิฎกมีมากเนี่ยนะอย่างมงค ล, ลสูตรก็เป็นคําถามคําตอบนะนนนว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย สงสัยสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์ตรัสบอกสิ่งที่เป็นมงคลด้วยเถอดะองก็บอกว่าอาเสวนาจะพาลานังเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องคําถามคําตอบในพระไตรปิฎกแม้กระทั่งเทวตาสังยุทธเนี่นะเทวตาสังยุทธส่วนหนึ่งก็เป็นคําถามของเทวดาแล้วก็คําถามของอกษัตริย์รามแพทย์สูตรซึ่งในพระไตรปิฎกมีใช้อย่างมากก็เพิ่งปุจฉาวิสัชนาอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าคําถามคําตอบจะไม่เกินถามตอบในเรื่อง อาสาท่าอาทีนวะนิสรณะผลอุบายและอนัตเนี่ยนะไม่ไม่พ้นสิ่งเหล่านี้หรอกเพั้งพึงนำสุตันตเทสนาอื่นอันสมควรแก่สังวเนตพสูตรโดยอัตถะและโดยศัพเนี่ยนะโดยอัตถะและโดยพยัญชนะนั่นเองสังวเนตพสูตรก็เป็นสูตรที่ควรขยายเนี่ยนะพราะพุทธพจน์ที่ควรเอาอธิบายเนี่ยนะ พระพุทธพจน์ที่ควรอธิบายก็เอามาตั้งเป็นคำถามคำตอบแล้วก็มาอธิบายชี้แจงแยกพิจารณาชี้ชาติอย่างหนึ่งว่าศัพท์ที่ปราศจากอัตตะเป็นคำที่ไม่มีประโยชน์แม้อัตตะของบทวาคยะที่ตั้งไว้ไม่ดีก็รู้ยากคำพูดที่พูดสละสลวยแต่ไม่มีความหมายเนี่ยนะมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เนี่ยนะ เช่นคำพูดชมดินชมนกชมไม้ชมอากาศทั้งหลายแล้วเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรต่อโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์ต่อมรรคผลนี่ผ่านเหมือนคำพูดที่บางทีเนี่ยนะคำที่ขีดเขียนบางอย่างเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือพยัญชนะที่เรียงไว้ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะจัดระเบียบถ้อยคําไม่ดีอัตถาก็เข้าใจยากแม้แต่ผู้ธรรมะนะผู้ถูกต้องสแสดงธรรมถูกต้องอ่ะแต่ถ้าเ ร, เรียบเรียงเรื่องไม่ดีอะไรไม่ดีเขียนไม่ดีเนี่ยถามว่าจะเข้าใจง่ายไหม เข้าใจยากอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยนะพิมพ์ให้มันติดกันพื้นไปหมดเลยอ่านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าวากะยะที่ตั้งไว้ไม่ดีเนี่ยนะเข้าใจเนื้อหายากมากอย่างเคยอ่านหนังสือหลายๆเล่มเลยนะบางเล่มนั้นนะ่ะผู้ธรรมะเนี่ยอ่านแล้วไม่รู้เรื่องไม่มีวักไม่มีตอนไม่รู้จบที่ไหนเลิกตรงไหนอันนะจัดวักตอนผิดนี่ก็อ่านโอ้เป็นอื่นไปหมดแล้วเนะนี่ยนะมันกลุ่มเนี่ยเรียกว่าอัถะของวากะยะที่ตั้งไว้ไม่ดีก็รู้ยาก เพราะฉะนั้นควรสังคารนาสูตรที่สมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและสภาวะนิรุตและควรเลือกเฟ้นสูตรเพราะตรงนี้ก็เท่ากับบอกชี้แนะผู้ที่จะสอนพระไตรปิฎกหรือเรียนพระไตรปิฎกเป็นต้นนะควรเอาสูตรที่สมบูรณ์มาเรียนเนี่ยนะเอาสูตรที่เรียกว่าสมบูรณ์โดยเนื้อหาโดยอัฏฐพยัญชนะที่แปลดีแล้วไม่ใช่สูตรที่แปลตกๆหล่นๆเป็นต้นเนี่ยนะอ่านแล้วก็แย่เลย อย่างเช่นไอ้คาว่าสักแต่ว่าเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเลยนะสักแต่ว่าก็เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบสักแต่ว่าทราบรู้สักแต่ว่ารู้ยอมก็มาถามว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยหรือเปล่าก็บอกใช่แต่ว่าปัญหาจากการแปลเนี่ยนะคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยนะคือสักแต่ว่าเนี่ยถ้าเรียกว่ามาจากคําว่าไอโพอย่างยกตัวอย่างศัพท์นะ สักตัวนั้นสักว่ามาจากว่ามัตตะโพชเนมัตตัญุตาเนี่ยทําไมเขาไม่แปลว่ากินสักแต่ว่ากินบริโภคศักแต่ว่าบริโภคแปลได้ไหมไม่ได้คําว่าศักแต่ว่าเป็นภาษาไทยนะโดยมากเป็นคําด่านะไอ้นี่มันทําอะไรสักแต่ว่าทําอย่างเงี้ยดีไหมไม่ดีเป็นคําตําหนินะศักแต่ว่าเนี่ยศักว่าสักว่าเนี่ยทําสักว่าทํากินสักว่ากินนั่นแหละอย่างเงี้ย โพชเนมตะตัญยุตานี่มัตะตัวนั้นแปลว่ารู้ประมาณในการบริโภคในอย่างในพระพุทธพจน์ภายะสูหรือในที่อื่ น, นๆก็ในญาติเดียวกันบอกว่าเธอพึงทำศึกษาว่าให้ศิขาสามเนี่ยนะทิเถ ท, ทิธรมตะตังภวิสติเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นแต่ถ้าแปลว่าเห็เหนสักแต่ว่าเห็นเพราะงั้นเห็นก็ทำตาปริบๆก็พอไม่ต้องไปคิดอะไรสักอย่างนะก็เห็นน่ก็สักแต่ว่าเห็นก็นแล้วกัน มันเวลาเห็นลูกจะตกบ้านก็สักแต่ว่าเห็นทะเลาะกันนเนี่นะมันเห็นไฟไหม้บ้านก็สักแต่ว่าเห็ น, นไม่ใช่แน่นอนอะนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยนะอย่างในพาหิยะสูตรเนี่ยให้ทำศึกษาเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นเมื่อได้ยินจักเป็นประมาณว่าได้ยินคือตัวเห็นจริงๆอะไรเห็นจกักขูวิญญาณเห็นชาวนะให้ตั้งไวเหมือนจกักขูวิญญาณ ตั้งไวเหมือนยังไงเหมือนว่าจักรวิญญาณกำหนัดในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไหมไม่เป็นคัดเครื่องในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไหมลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหมไม่หลงตั้งชาวนะให้มันได้อย่างนั้นนะแต่มีชาวนะไหนบ้างมีเจตสิกเท่าทวิปัญจะไม่มีแต่เอาทวิปัญจะตั้งในเกณฑ์ที่ว่าไม่มีกิเลสถามว่าชาวนะเป็นยังไงจึงจะไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ต้องกรรมฐานอะไรต้องอย่างน้อยต้องเป็นสมถะไม่ขัดเครืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งขัดขัดเครืองชาวนะต้องเป็นศีลไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงก็ต้องเป็นวิปัสสนาหรือเป็นปัญญาเพราะเมื่อเห็นเนี่ยชาวนะเห็นยังไงรจรึงจะเป็นศีลสมาธิและปัญญาเพราะพระองค์สั่งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเธอพึงทาศึกษาว่าเนี่ยก็ศิกขาสามก็คือมรรคแดนั่นแหละ ให้เจริญอารยมรรคในทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและก็ทวารใจเนี่ยในรับอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นฉผลถ้าเธอศึกษาอย่างนี้ก็จะไม่มีในโลกนี้คือยตนาภายในไม่มีในโลกหน้าคืออายตนาภายนอกไม่สําคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนหรือเป็นของตนไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองคือจกักขูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็คือตัดฉันนราคะในสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนั่นเอง งไม่ใช่ว่า what, opez, Same, ได้ยินอะไรก็ส oh, <anc ben ed ness> ักแต่ว่าได้ยินไปโอ้วิปัสสนาจะง่ายป่านนั้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเนี่ยรับกระทบอะไรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรับคนงานสักแต่ว่าทํามาเถอะเนี่ยนะจะรู้เลยแหละเพราะสูตรบางอย่างเนี่ยนะเวลาถ้าแปลไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาในการศึกษาเหมือนกันะฉนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ข้อปฏิบัติไอ้สักแต่ว่าเนี่ยโอ้ใครพูดคํานี้นั้ลึกซึ้งมาก นะึกซึ่งมากเลยนะศักแต่ว่าเนี่ยเพราะนั้นเป็นสูตรที่ไม่แปรไม่บริบูรณ์เมื่อแปรไม่บริบูรณ์เนี่ยนำมาซึ่งปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะหรือบางทีเนี่ยอย่างสูตรที่ควรขยายเนี่ยนะจะต้องเอามาขยายให้ดีถ้าขยายไม่ดีก็เสียหายอย่างเช่นทําทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหนักๆเข้าบุญก็ไม่ทําอีก ไม่ยึดมั่นไงแต่ว่าบาปก็เจริญเอาเหมือนเดิมนั่นแหละนั่นนะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไอ้คําว่ายึดนี่เป็นชื่อของอะไรยึดนะเป็นชื่อของตันหากับทิฏฐิคําว่าธทำทั้งปวงเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันธาตุอายตนะเพราะฉะนั้นขันธาตุอายตนะทั้งปวงไม่ควรยึดด้วยตันหากับทิฏฐิแต่โดยอัธหกมเป็นอย่างนี้แต่ว่าฟังไปฟังมายังไงไม่ทราบกลายเป็นว่าศีลก็ไม่เอา ทานก็ไม่ให้อะไรก็ไม่เอาสักอย่างเพราะจะปล่อยวางและไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยก็คือปัญหาของเกี่ยวกับเรื่องสับแสงนะก็จะเป็นไปในลักษณะนี้บรรดาศึกษาพระธรรมไม่ดีจะไม่ได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้นะจะไม่ละสิ่งที่ควรละจะไม่เจริญสิ่งที่ควรเจริญจะไม่ทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งอย่างคําที่เขาไว้ปราบกันในยุคนี้ก็คือไม่เที่ยงกับอนัตตาเนี่ยอะไรก็ยกมาไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเออแต่ทำลายของส่งนะไม่เที่ยงไงต้องใช้คืนนะนีะ่นะเหมือนนี่นี่ก็ไม่เที่ยงไงแต่ว่าใช้หมดแล้วนะไม่เที่ยงแล้วแต่ต้องหาจ่ายอย่างเงี้ย น, นะนี่ก็ไม่เที่ยงเพราะในคําว่าอ น, นิจจังเนี่ยอย่างอย่างผู้ที่ศึกษาธรรมะนะบางทีกลายเป็นว่าข้อไว้แก้ตัวนี่นะพอเรียกว่าไม่สํารวมไม่ระบัดระวังทําอะไรเสียหายก็บอกมันไม่เที่ยงนี่นะกลายเป็นอย่างนเงน้ย กลายเปนเอาคณเอาธรรมะระดับสูงมาแก้ปัญหา อ, าอาความช่วยของตัวเองเนี่ยนะก็เสียหายมากแล้วก็ขี้เกียจก็เลยยกให้อนาตตาหมดเลยอย่างงี้มันอนาตตามันไม่ใช่อัตตาทำได้หรออย่างเงี้ก็เลยปล่อยสบายเลยกันนี่แต่กิเลสมันไม่ปล่อยในะกิเลสมันหัวเราะขาหน้าดูเลยนะก็เสร็จชันนะ้นะต่อไปว่า สูตรที่ควรเลือกเฟ้นน่ะคืออะไรก็คือเลือกเฟ้นอย่างนี้สูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองสูตรที่สาวกกล่าวเอาไว้นี่นะคือสูตรที่เป็นพุทธภาษิตสูตรที่เป็นสาวกภาษิตสูตรที่รู้ได้โดยตรงกับสูตรที่นําคําอื่นมาที่บายเช่นว่าตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเนี่ยนี่เป็นคาพูดตรงตรงใช่ไหมอย่างคําว่าสัตว์บุคคลหญิงชายเป็นต้นอันนี้เป็นสูตรที่ต้องนําเอาคําอื่นมาอธิบาย อันนะนยะกับเนยะถาเนี่ยนะเขาเรียกว่านำออกแล้วกับยังไม่นำออกหรือรู้เาเรียกว่าฟังแล้วรู้ทันทีกับจะต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะส่วนสูตรที่เป็นสังกิเลสกับสูตรที่เป็นวาสนากับสูตรที่เป็นส่วนแห่งนิพาพยทาคิยะสูตรที่เป็นสังกิเลสนะก็คือพวกอกคุศลกรรมบท10ตัญหามานะทิฏฐุจิริพวกนนี้จะเป็นสูตรประเภทสังกิเลส ส่วนสูตรที่เป็นสูตรวาสนานะเช่นในายกัมพีอัปทานเนี่ยจะยกเห็นว่าเพราะไหว้พระเจดีเพราะให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นสูตรประเภทวาสนาเนี่ยนะถ้าบอกว่าผู้ที่ตั้งเงี่ยบโสรลงฟังก็ชื่อว่ามีอุปนิสัยเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะยังที่เรียกว่าครั้งข่าวได้ยินเสียงอภิธรรมใช่ไหมอันนั้นก็เป็นวาสนาทำให้ตรัสรู้ในตอนหลังหรือกบได้ยินเสียงพระพุทธเจ้า อันนั้นก็เป็นส่วนแห่งวาสนาที่จะทําให้ได้ฟังธรรมเนี่ยนะหรือมาตตคุณเลีเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสายอันนี้ก็เป็นส่วนแห่งวาสนาบางคนก็ให้ทานรักษาศีลอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะในสูตรเดียวกันเนี่ยบางพวกนี้ก็สักแต่ว่าได้ฟังนะนะฟังก็รับฟังไว้เฉยๆก็ไม่ได้มีผลอะไรนั่นนะอย่างในสกุลุทายีสูตรมหาสกุลุทายีสูตรสัจจกะสูตรเนี่ยนะ พวกสูตรเหล่านี้เขาฟังเขาก็ธรรมดาเขาก็ดีๆแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ไม่ได้มีผลในชาตินั้นแต่ชาติหลังเขาจะบรรลุเร็วเนี่ยเพวกที่สะสมบุญเอาไว้แล้วอะไรแล้วเนี่ยเถึงในชาตินั้นเขาเรียกว่าแทบจะไม่ได้นับถือศาสนาอะไรสักเท่าไหร่แต่ชาติหลังๆอ่ะนะความที่เขาตั้งใจฟังเงี่ยโสดลงฟังก็อันนั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้เขาได้บรรลุในในตอนหลัง ในพสูตรใดที่พระองค์แสดงเพื่อเป็นวาสนาแก่การบรรลุต่อไปในภายหลังสูตรประเภทนี้เรียกว่าวาสนาภาคยะส่วนสูตรประเภทนิเพทะภาคยะคือฟังและบรรลุเลยฟังและบรรลุเลยสูตรประเภทนี้เป็นกลมนิเพทภาคยะของเรานะฟังทุกสูตรเป็นอะไรเป็นวาสนาภาคยะนะเรจะรีบไปไหนอยู่ด้วยกันก่อน <laughs> จริงแ้าบรรลุได้ก็บรรลุไปเถอะไม่ต้องรออะไรแล้วนะ นิเพศแปลว่าชั้แรกได้กับชั้แรกไปแต่ไม่ต้องอะไรอาวนในขันห้าแล้วนะมันสูตรชัดๆอย่างเงี้ยก็บอกรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขกันนะงั้นคนที่ยังละรูปไม่ได้ก็ฟังพอเป็นวาสนาไปก่อนเนี่ยนะวันหนึ่งจะต้องตัดฉันตราคาในรูปให้ได้อย่างไงบางสูตรก็เป็นสูตรสําหรับผ้าเสขานะสูตรบางสูตรก็ยกย่องผ้าอรหันอย่างเดียวเนี่ย เพราะฉะนั้นพึงตรวจดูสัจจะทั้งหลายของสูตรนี้ถามว่าตรวจดูสัจจะต ร, ตรวจดูที่ไหนก็ตรวจดูในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเบื้องต้นนิพพงก็ประกาศสัจจะใครตรัสรู้อุคติตันยุท่ามกลางก็เป็นวิปัญจิตันยุที่สุดนย ะ, ะการแสดงเบื้องต้นเรียกแสดงแบบอุเทศท่ามกลางเรียกว่านิเทศที่สุดเรียกว่า ปตินิเทศเนี่ยนะก็เหมาะสำหรับบุคคลทั้งหลายแหล่นั่นเองเพราะฉะนั้นพึงเลือกเฟ้นสูตรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระมหากจรยนะจึงกล่าวว่าการพิจารณาคำถามก็ดีการพิจารณาคำาตอบก็ดีการกล่าวโดยสมควรกับคำถามของสูตรก็ดีอันนี้ก็เป็นวิจยะหระเป็นการพิจารณาพยัญชนะนะถ้อยคำที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่นะ วิจยาหาระเป็นการพิจารณาพยัญชนะแต่การพิจารณาพยัญชนะนั้นจะต้องเพื่อให้รู้อะไรรู้บทรู้คำถามรู้คำตอบรู้คำหน้ารู้คำหลังรู้อัาธารู้อาทีนวะรู้นิสระรู้ผลรู้อุบายรู้อนัตและอนุขีติเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำไงต่อไปเมื่อรู้นะเมื่อฟังทมแล้วรู้อัดรู้ทมก็จะได้เกิดปีติปราโมท เมื่อเกิดปีติปราโมทย์แล้วนะก็จะทําให้เกิดปัสสัทธิทําให้เกิดสุขเกิดสมาธิแล้วก็จะรู้เห็นตามเป็นจริงคือเห็นอริยสัจนั่นแหละตามตามความเป็นจริง น, นะเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาฟังแล้วเขาฟังออกตามนี้หมดเลยนะของเราก็เลยต้องอปัญญาไม่ค่อยมากก็ต้องมาเรียนวิธีฟังอีกครั้งหนึ่งนะเขาฟังกันยังไงแล้วเขาบรรลุกันเนะี่ย มาเรียนแม้กระทั่งวิธีฟังนนะอ่ะนะโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะปหาะประิญญาเรียกว่าพลาวะวิปัสนา